ส่วนที่สองของหนังสือเพื่อความสุขใจเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตและการงานที่ดีซึ่งอาจารย์วสินอินทสระได้บญญรรยายครั้งแรกที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนสีลมวันที่27กรกุมภาพันธ์พศส5 3 0 เวลา13นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกามีเนื้อความดังนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติคารพผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาคุยกับท่านทั้งหลายในที่นี้ซึ่งเป็นที่ที่ผมได้ฟังทางวิทยุในวันหนึ่งเร็วนี้เองว่าเป็นสถานที่ที่มีระบบการป้องกันอุบัติภัยอันปลอดภัยที่สุดหมายโดยเฉพาะถึงอาคีภัย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 ในการมาพูดคราวนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงผู้ฟังอยู่เหมือนกันว่าท่านจะสมหวังหรือผิดหวังในการฟังเร่งไปว่าท่านอาจไม่ได้สิ่งที่ตนคาดหมายว่าจะได้แต่ชีวิตของคนเรานั้นถ้าไม่ตั้งความหวังไว้มากเกินไปความผิดหวังก็จะมีไม่มากนักถ้าตั้งความหวังไว้สูงมากเมื่อผิดหวังก็จะเจ็บมากเหมือนตกจากที่สูง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 ชนไหนเล่าผู้อื่นสิ่งอื่นเหตุการ์อื่นจะเป็นไปอย่างที่เราหวังไว้สิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นหรือเป็นไปตามเหตุปัจจั ย, ยะถาปัจจยังปวัตตันติข้อนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งตามหลักนี้พอจะกล่าวได้ว่าเหตุดีย่อมก่อให้เกิดผลดี เหตุร้ายย่อมก่อให้เกิดผลร้ายเหตุดีปนชั่วย่อมก่อให้เกิดผลทั้งดีทั้งชั่วมนุษย์เราส่วนมากยังไหว้วนอยู่ในวัตจกักรแห่งดีบ้างชั่วบ้างดีปนชั่วบ้างอยู่อย่างนี้จึงไม่อาจพ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงสำหรับความหวังที่เรามีต่อผู้อื่นนั้น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 คนจะรุ่งเรืองได้ก็เพราะอดทนต่อความล้มเหลวได้และตั้งต้นใหม่ขณะเดียวกันพยายามรักษาความสงบใจไว้ให้ได้เพราะสุขภาพจิตที่ดีสำคัญที่สุดต่อความสุขในชีวิตประจำวันของเราถ้ามีเทพทานพรให้ท่านสามอย่างคือหนึ่งร่ำรวย 2. ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย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 อาจให้ความสุขความพอใจแก่เราก็ได้สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พลาวพลายเพราะฉะนั้นขอให้พยายามสร้างนิสัยนักศึกษาขึ้นในตนคือมองสิ่งต่างๆในแง่ของการศึกษาว่า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 เหมือนไปรีดเอาน้ำมันจากเม็ดทรายหรือรีดนมจากเขาโคแม้จะใช้ความเพียรพยายามสักเท่าไหร่ก็คงไม่ได้อยู่ดีอันที่จริงความสุขเราไม่ต้องแสวงหามากก็ได้เพียงแต่หาวิธีลดความทุกข์ลงเท่านั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหตุแห่งทุก์อย่างสําคัญประการหนึ่งของคนในสังคมของเรา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 เราควรปฏิบัติตนอยู่ในหลักต่อไปนี้หนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนและนิยมยกย่องผู้อื่นสองการรู้จักตัดตอนสามกล้าต่อสู้ความทุกข์ยากสี่รู้จักช่วยเหลือตัวเองและพึ่งตัวเองก่อนท่านอาจารย์วสินได้ขยายความทั้งสี่ข้อดังต่อไปนี้นะคะ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 ควรฝึกตนให้เหมือนน้ำทำประโยชน์ทุกอย่างแล้วไหลลงต่ำอ่อนโยนละมุนละไมแต่มีอนุภาพยิ่งนะคนที่มีความดีมากก็ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เยื่อยิ่งอวดดีคุณสมบัติที่จะตามมาของผู้อ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการนิยมยกย่องผู้อื่นด้วยความจริงใจ จึงเป็นที่สำราญใจของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างยิ่งเขาจะจำติดอยู่ในใจเป็นเวลานานแสนนานสิบปียี่สิบปีผ่านไปแล้วแต่คำยกย่องนั้นยังสดใสอยู่ในความทรงจำของผู้ฟังเป็นต้นเรื่องประกอบดูเถิดดูเด็กน้อยที่นอนแบบบก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 หักง่ายคนทั้งหลายอยากจะโค้นแล้วโยนทิ้งให้พ้นตาในหมู่มนุษย์ก็ทำหนองนั้นคนมีคุณธรรมจะเป็นคนนุ่มนวลอ่อนน้อมถม่อมตนเป็นเครื่องบ่งบอกความมีชีวิตสดใสยอยู่ภายในเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจะเจริญเติบโตต่อไปภายหน้าอีกมากเป็นผู้มีสัมผัสนุ่ม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 ลำต้นอ่อนช้อยประหนึ่งว่านอกน้อมแก่ผู้ผ่านไปมาทุกคนใครๆมองดูด้วยความรู้สึกนิยมชมชอบบางคนนั่งลงยื่นมือไปสัมผัสเพียงแผ่เบาอุ้งมือรองรวงอย่างถนอมด้วยเกรงเมล็ดจะร่วงหลน่นดูเถิดดูอนุภาผแผ่งความอ่อนน้อมของธรรมชาติดึงคนสูงให้น้อมตัวลง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 ที่สุดแล้วแต่ลมจะพัดผ่าไปคนที่เป็นประดุดใบไม้ร่วงนี้มีอยู่มากในโลกส่วนคนที่เป็นประดุดดวงดาวนั้นมีอยู่น้อยแต่มักประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่และมีปัจเจกภาพอันเป็นที่เคารพยกย่องของโลกเลือกเอาเองเถิดจะเป็นด่งใบไม้ร่วงหรือดวงดาวความถ่อมตนจะคอยเตือนบุคคลให้รู้ว่า ตนเองยังดีไม่พอยังมีความรู้ความสามารถไม่พอจึงไม่กล้ายอมรับความยกย่องสรรเสริญจากผู้ใดอย่างลำพองใจแต่จะน้อมรับคําตักเตือนติเตียนจากผู้อื่นด้วยใจคาระวะและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นความถ่อมตนนั้นตรงกับความเป็นจริงอยู่แล้ว คือในโลกนี้มนุษย์ที่เป็นปุถุชนอยู่ใครเล่าเป็นผู้มีความดีอันสมบูรณ์ล้วนแต่ยังมีข้อบอกพร่องอยู่ทั้งสิ้นแม้คนอื่นไม่เห็นตนนั่นแหละย่อมรู้ด้วยตนเองความดีของปุถุชนจึงยังเป็นความดีสัมพัทธ์ relative good อยู่คือดีกับคนที่เข้าดีกับตัวใครร้ายกับตัวอาจร้ายตอบเป็นสองสเท่าก็ได้ ราวใดกิเลสครอบงามอย่างรุนแรงตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอาจทาความไม่ดีได้มากๆพระอระหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วไม่ถูกกิเลสชักจูงแล้วจึงจะเรียกได้ว่าดีโดยสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ปุถุชนจึงไม่ควรทะนงตนว่าเราดีแล้วหรือดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวงดูนั่นสิ แม้แต่ขนเขายังพังทลายได้ด้วยแรงธรรมชาติบ้างด้วยแรงมนุษย์บ้างจักลาวใยถึงมนุษย์น้อยๆ อ, อย่างเราเล่าซึ่งเปรียบไปก็เหมือนทุรีหนึ่งอันล่องลอยอยู่ในสุริยะจักรวาลอันยิ่งใหญ่หาขอบเขตไม่ได้นี้ประโยชน์อะไรเล่ากับความทนงตนเมื่อใจได้รับเอาความถ่อมตนไว้เป็นสมบัติแล้ว ดวงหน้าแวลตาและกิริยาท่าทีของเขาผู้นั้นก็จะทอประกายแสงแห่งความถ่อมตนให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างชัดเจนนิสัยอันดีงามซึ่งสืบเนื่องจากการถ่อมตนนี้จะช่วยส่งเขาให้รุ่งโรดในการงานที่เขาทำและเป็นที่รักที่ยาเกรงของผู้เข้าใกล้แม้จะแพรว์รวได้ส้อยสังวาลเพช แต่เต็มไปด้วยความทรมนงก็หาดูงามไม่ยิ่งจะประกาศความอภัยยศมากขึ้นส่วนผู้ประดับตนด้วยความอ่อนน้อมย่อมดูงามกว่าชื่อว่าได้สวนมงคลวิเศษอย่างหนึง่งซึ่งจะอำนวยแต่ความสุขความร่มเย็นให้แก่ชีวิตคำพูดเหล่านี้ว่ารัญญาได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่าจากคุณพ่อตั้งแต่เธอเป็นเด็กอายุสิบขวบ ดวบตนเธอเป็นสาวอายุยี่สิบคุณพ่อได้มอบสร้อยรวงข้าวให้สวมใส่เมื่ออายุ17มีความหมายเป็นเครื่องเตือนใจให้อ่อนน้อมถ่อมตนกระดุดรวงข้าวที่มเมล็ดเต็มคุณสมบัติข้อนี้มีอนุภาพเป็นมหาเสนีพร้องใจผู้เข้าใกล้ให้รักใคร่นิยมนับถือไม่จืดจาง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 ซ่อนเร้นอยู่ที่ใดความอดกลั้นนั้นเป็นความดีถ้าเป็นความอดกลั้นที่จริงใจสุดจริตเที่ยงตรงในรอยยิ้มอันพริ้มพราและพริ้มพลายของผู้ใหญ่นั้นมีความหมายตรงกับรอยยิ้มนั้นหรือไม่มีอะไรแฝงเร้นอยู่เบื้องหลังบ้างวรัญญารู้สึกไม่แน่ใจเห็นบางคนนินทาเข้อยู่นหยกย แต่พอเขาเดินมาก็ยิ้มย่องผ่องใสทักทายอย่างสนิทสนมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการดูถูกดูหมิน่นเยียดย้มกันมีอยู่ทั่วไปทั้งโดยสายตาคำพูดและกิริยาอาการเพราะรับบ้างยศบ้างฐานะของตระกูลบ้างการศึกษาและสถาบันบ้างยกตนข่มผู้อื่น สอดเสียดยุยงให้แตกกันเสียดสีก้าวร้าววางแผนทำลายอีกฝ่ายหนึง่งริษยาเมื่อเห็นใครได้ดีทนไม่ได้โอ้อวนมานยาตั้งกลุ่มนินทาสโมสรสอดรู้สอดห็นเรื่องของคนอื่นเยาะเย้ยถากถางทั้งด้วยสายตาและคำพูดเพ้อเจอ้อไร้สาระแลลงน้ำใจ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 จึงปรากฏเหมือนดอกบัวท่ามกลางโคลนตม ร, รุ่งเรืองอยู่ด้วยศีลสมาธิและปัญญาส่วนคนอีกพวกหนึ่งไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้เลยสนใจแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสนุกสนานต่างๆแม้จะทํางานก็ทําเพียงเพื่อหาเงินมากินมาเที่ยวมาสนุกสนานหรือแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศโดยอาศัยหน้าที่การงาน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 คนจะดีหรือเลวเพราะชาติตระกูลก็หาไม่แต่จะดีหรือเลวก็เพราะการกระทาของตนมีนบ่อยครั้งที่วรัญญารู้สึกสลดหดหูใจท้อแท้เมื่อนึกถึงความเป็นไปในสังคมมนุษย์เมื่อนึกถึงความชั่วอันมีอยู่ดาดื่นในสังคมมนุษย์เธอปราลบกับตัวเองบ่อยๆว่า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 แก้กองกิเลสทําคนให้เป็นคนนั้นก็เล่นกีฬามุ่งมั่นแต่เรื่องเอาชนะผู้อื่นกลุ่มอื่นสีอื่นให้ได้ไม่ได้เล่นกีฬาเพื่อกีฬาเพื่อสามัคคีทำแต่เพื่อเอาชนะชนะได้ก็เป็นศัตรูกันทะเลาะวิวาทกันแตกสามัคคีกันแทบทุกนัดทุกสนามตลอดไปถึงกีฬาระหว่างชาติ เล่นกีฬาโอลิมปิกเป็นต้นมันจึงไม่อาจแก้กองกิเลสได้มีแต่จะเพิ่มพูนกองกิเลสทาคนไม่ให้เป็นคนแต่ทำพวกเขาให้เป็นยักษ์เป็นมารคอยประหัดประหารกันมีความสุขด้วยการทำร้ายผู้อื่นยิ่งการชกมวยซึ่งมาในนานกีฬาเหมือนกันแล้วยิ่งไปกันใหญ่มันเป็นการทำร้ายร่างกายกัน เป็นฆาตกรรมที่สังคมชี้นำให้เห็นเป็นกีฬามวยปล้มของฝรั่งยิ่งเป็นการทารุณกรรมอันยิ่งใหญ่ที่โลกพากันตื่นเต้นยินดีคุณพ่อบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มนุษย์ได้ตั้งจิตไว้ผิดมีความดําเบิผิดในทางดำเนินเหมือนรถไฟที่เจ้าหน้าที่สับรางผิด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 บุเพเทนิวาสานุสติยานคือการระลึกชาติได้ทิพจักษุยานหรือจุดตูปปาตยานการรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายจึงจะกำหนดได้ง่ายขึ้นตรวจสอบได้เป็นรายรายไปอย่างไรก็ตามชะตาชีวิตย่อมเป็นไปตามการกระทาและความตั้งใจของเรา โชคชะตาหาได้กำหนดอนาคตของมนุษย์ไม่แต่การกระทาของมนุษย์นั่นเองได้กาหนดชะตาชีวิตหรืออนาคตให้แก่เขารางวัลและการลงโทษเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำกันขึ้นมาเองภัยจากธรรมชาตินั้นมีน้อยกว่าภัยจากมนุษย์ถ้าชะตาชีวิตจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงชะตาชีวิตนั้น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 เหมือนดวงจนวันทร์เพนอันมีแสงสีนวลนเยือกเย็นฉะนั้นความถ่อมตนเป็นการเปิดโอกาสแก่ตนเองให้ได้รับคาแนะนำสั่งสอนอันมีค่าจากท่านผู้รู้ท่านผู้รู้จะหลั่งความรู้ให้อย่างไม่เบื่อหน่ายจืดจางเพราะเขาทาตนเป็นเหมือนภาชนะที่ใหญ่และดีในการรองรับคําสอนที่ดี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 และพูดต่อไปรู้สึกท่านมีความสุขเมื่อได้พูดเรื่องนี้เตือนให้วรัญญาเจียมกายเจียมวาจาและเจียมใจในการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นคําพูดเพียงคำสองคาอาจสอให้เห็นอุปนิสัยอันดีหรือเลวของผู้พูดทํานองเดียวกับสายบัวเป็นเครื่องวัดน้ําต้นหญ้าเขี่ยวหรือสดชื่นเป็นเครื่องวัดแผ่นดิน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 แม้จะอยู่ในหมู่คนที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งทะนงตนก็ให้เขาทะเลาะกันไปเราอย่าเป็นไปอย่างนั้นเสียด้วยตัวอย่างที่ดีของเราอาจช่วยผ่อนคลายคนที่เย่อหยิ่งทะนงตนให้ลดความเป็นเช่นนั้นลงได้บ้าง